ปลลมีสัมปันโนอิติปิสภะคะวาฐานะอุปปลมีสัมปันโนอิติปิสภะคะวะานะปลมัทธะปลมีสัมปันโนอิติปิสภะคะวะทิณบัดนี้จะด้อธิบาย ในฐานะบารมีของพุทธเจ้าโกตมะได้สร้างบำเพ็ญบารมีกันมาตั้งต่างแต่งแต่เมือ่อถวายภาพผืนหนึ่งให้แก่ผาเทลักษ์ที่อยู่ในป่าตั้งแต่นั้นมาเองตั้งใจอยากจะเป็นพุทธ องหนึ่งตลอดมาเป็นนิจยังได้ทำกิจในทางพุทธศาสนาตั้งแต่ทานปรมีเป็นต้นตลอดมาผลที่สุดก็ได้สำเร็จเป็นองพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลก <c oughs> แต่ได้ผ่านพุทธเจ้ามาตัดตั้งแต่นั้นมา ได้ห้าสิบแสนพุทธะแล้วก่อนสหนึ่งหมื่นพุทธะหนึ่งพันพุทธะห้าร้อยพุทธะแปดสิบห้าพุทธะจึงได้สำเร็จเป็นพุทธเจ้าโคตมะ นี่ให้เราทุกคนจุกิดเนืกว่าฐานะบา ร, รมีเป็นเบื้องต้นของที่การสร้างบา ร, รมีของแต่ละบุคคลบุคคลตลอดไปเมื่อได้สำเร็จแล้วโภคสมบัติลาบสั ก, กร ะ, ะที่จะเกิดขึ้นของบุคคล คนหนึ่งผู้ได้น้อยผู้ใด้มากผู้ที่รวยที่สุดผู้ที่หิวที่สุดอันนี้ได้แก่ตนของตอนที่สร้างบำเพ็ญกันมาผู้ที่หิวที่สุดโลกาติสสะภิคุ เกิดมาแล้วไฟไหม้บ้านถึงจ็ดคั้งแล้วเขาก็ไล่หนีไปอยู่กับพ่อแม่ทางครอบครัวไฟไหม้อีกถึงจ็ดคั้งพ่อกับแม่ก็ไล่หนีไปหานุ่งพาคี่ริ้ว ที่เขาอาบน้ำแล้วก็เตะทิ้งผ้าปูขาดผ้าไรว่าเข้าใจแนละ้วพอจะได้นุ่งเท่านั้นเองหาขอทานกินบางวันก็ได้กินบางวันก็ไม่ได้กินอยู่อย่างนั้นจนตลอดมา <c oughs> จนตลอดมาถึงภาษาลีบุตร ผู้ที่รู้จักภวะเมตตาสัตว์ทั้งหลายในโลกจึงได้เห็นโลกติสสะอยู่ทางไกลฉันจังหันแล้วกลาพุธตธเจ้าออกเดินทางเดินทางไปจนตลอดถึงโลกติสสะคุณนั่งอยู่ในท่าน้ำอยู่คนเดียว นุ่งผ้าคีร้วพอแต่หอมาขลามมันเท่านั้นเองก็มีกระเบื้องอันหนึ่งสำหรับขอทานกินท่านไปเห็นละ่ะโลกธิศไปบวชน้ำเราเนาะโอ๊ยอาจารย์ให้บวตกระเบวเ้องแนวอาบน้ำใช่ไหมอากระเบื้องนะทิ้งเหรออาบน้ำเหรอ อาบนามเสบบริบูรณ์ใ้ทุกประกระารภาษาลิบุตก็เอาภาพใหม่เปลี่ยนให้นุ่งเกล็บร้อ ย, ยก็เดินทางมาอย่างนั้นภาษาลิบุตนั่นเองมินทบาทเลี้ยงให้ตะแกกินมาจนมาถึงวัดสาวถีวัดเศษตษฐวันเมืองสาวถี บวดเป็นภิกขุให้เลียกภิกขุที่เป็นสิทธาเป็นพักพวกมากเอาภิกขุตอนนี้ที่บวชใหม่ไปบิณฑบาตนำด้วยนะภิกขุเหล่านั้นก็ชัก่วนเตือนแล้วก็ไปบิณฑบาตคนใสบาตเป็นระดับกันมาจนถึงติสสะผู้สุดท้าย อาหารอะไรไม่มีชั้นอย่างมาบาดเปล่ามาถึงแล้วมูพักพวกควรขุงทั้งหลายแบ่งปันให้ดิ้นไปมากับบาดคว่ำลงไปก็ได้กินน้อยหนึ่งวันไหมก็เป็นอย่างนั้นวันใดก็เป็นอย่างนั้นพวกลุชิต ท, ทั้งหลายไปกราบทูลพระอุปชาสารีบุตร โอ้เอา้าให้ไปข้างหน้ามานี้ให้เขาไปข้างหน้าเดินหน้าให้ผูกถือทั้งหลังถ้าคนมาใส่บาตรก็ใส่ข้างหน้าตลอดมาไปข้างหน้าเขาบังเอิญใส่ข้างหลังไปตลอดไปถึงท่านก็หมดไปเสร็จแล้วไม่มีอีก มาหมูทั้งหลายก็ปันให้ผู้ลเล็กเล็กน้อยกันไปแตะเกะกระดิ่งไปมากบาดความอีกแล้วได้กินนิดหน่อยหลายวันเป็นอย่างนั้นก็ไปกราบทูลอุปชาไปทางหน้าคนก็ใส่มาทางหลังสันขันอยู่ทางหลังเขาก็ใส่มาทางหน้ามาถึงโตตะแกะก็หมดไปอ้าววันนี้เอาไวท้ทางกลาง เขาใส่มาข้างหน้ากรผ่านนั่นเองเขาใส่มาข้างหลังก็ผ่านนั่นเองให้อยู่ครึ่งกลางมูอมาแล้วเขาใส่มาข้างหน้ามาถึงตะเกนั่นเองก็หมดไปผู้ใส่มาข้างหลังมาถึงตะเกนั่นก็หมดไปมาก็ะพานปั้นให้อีกอย่างเก่าใส่ให้แล้วปันให้แล้วดินไปมา บาดคดความลงไปกินได้นิดหน่อยเป็นอยู่อย่างนั้นมีอีกวันหนึ่งพญาประสณทธิที่กูสนประกาศจะได้เลี่ยงพระภายในสามวันไม่พระทั้งหลายไปบิณฑบาตประการใดๆจะมีพิธีในเลี่ยงพระสงฆ์ ต่างคนต่างเขาจะอยู่จุดไหนอาจารย์ใดคณะไหนให้พ่อมพากันตั้งใจพระสงฆ์ประกาศมาให้บินธบาตให้อยู่วัดให้หมดวานแล้วก็พาเขามาเลี่ยงดูพระสงฆ์องค์เจ้ากันต่างคนต่างเลี่ยงกันอะไรทุกรายกรารภาษาลิบุตรรีบโดนสันทันที สันแล้วก็ไปหาโลกติสสะกำขอบบาทไว้สองมือเลยไม่ให้ดิ้นไปมาเอาเอเกินโตตะแกก็กินไปกินมาลดดีไหมลดดีนี่อั น, นิี้สงในการแบ่งปันการให้ทานประการใดใ่ แลลว่าไม่มีการอดการอยากเป็นคือหัสเขาก็สับสินเข้าของการกินอยู่สบายใจการมาบวชเป็นนักบวชทั้งหลายก็มีคนแบ่งปันให้อยู่กินตามความพอใจอันนี้สงการที่แบ่งปันมาตั้งแต่อนกระชาโจเธอนี่เองไม่ได้แบ่งปันอะไรแก่ไขใดๆทั้งนั้นตลอดไป นี่จะเรื่องความหิวตั้งแต่วันเกิดตลอดมาถึงกะละบาดเดียวนี้นี่หละเรื่องโทษแห่งการตนของตนไม่ได้ทำความดีอะไรกันไหวประกรนนันใหๆใหให้ตั้งใจของตนให้รู้สึกภาวะใจของเจ้าของมันพาอะไรพาเกิดในโลกเพราะเลึกถึงใจเจ้าของสันยุเร่ลงนึก ก็เลยได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันตันทีเมื่อสำเร็จแล้วก็เอาบาตรออกตั้งนี้จากตัวเจ้าของกราบอุปชากลาขอนิพานทันทีบาตรก็ไม่ล่างอะไรก็ไม่เกี่ยวข้องนิพานในที่นั้นทันทีเลยอันนี้เรียกว่าโลกติสะ ตนของตนแปลว่ามันมีการแบ่งปันให้แก่ใครทางนั้นตลอดมาเป็นนิดเพิ่นจึงได้ชื่อว่าตั้งว่าทานปรมีสัมปนูอิปิโสปะคะวาการให้ทานแบ่งปันเป็นทรัพย์สินเงินทองเป็นรูปร่างถิพันวันนะและไปมาได้รับความสะดวกประการใดใดทุกอย่าง ในการบุคคลที่แบ่งปัดภูที่ลาบมาพอศีวีไปทางไหนมีแต่เทวันดาปฏิสันฐานตอนรับจัดอาหารหลอ่อทาที่พักนอนหลับแรมประการใดมันมีการที่จะได้ไปบิน บ, บาตรที่ไหนอาหารบริบูรณ์ตลอดทุกรายการเป็นนิด พิคุจะไปตั้งร้อยตั้งพันอะไรกัช่างข่าวหนึ่งพุทธองค์ไปเยี่ยมพระเลวตะน้องภาษาลิบุตอยู่คนเดียวบนภูเขาออกพรรษาแล้วพิคุสามพันองค์คนเดินทางไปเจ็ดวันเป็นที่เขตของมนุษย์ทั้งหลายเลยไปเจ็ดวันแล้วสิบห้าวัน เป็นเขตของพวกอะมนุษย์ไม่มีมนุษย์ใดๆอีกเจ็ดวันจะค่อยถึงพักของมนุษย์ยังค่อยถึงพระเลวตะเอาระษีวิรีไปกินไปจนตลอดมนได้อดได้ยาเลี่ยงพระสงฆ์สามพันกับหนึ่งพุทธะเลี่ยงอิบน้ำสำราญขามากันยังเก่าขาไปกระยังเก่า อันนี้เป็นเรียกว่าผู้ที่แบ่งปันเวลามากอาหารการอยู่กินประการใดที่สองพระ อ, อ น, นุลไปทําใดมีแต่คนยกผ้าห่มผ้าหนุ่งอะไรทุกอย่างเครื่องใช้ทางการใช้ต่างๆมาต้องเอาไว้กับมหาบรรทุกมหาบรรทุกไปผู้แบ่งปันให้กิจภิคุทั้งหลาย อันนี้เครื่องใช้เครื่องส้อยการผ้านุงหมประการใดอันนี้ได้เกบพระอนุ์ผู้ลาบเกิดอย่างนี้ได้มากพระอานุ์นี้แปลว่าฟกไฟหนึ่งในการเป็นลาศาก็ต้องไหววอนเทพพเจ้าทั้งหลาย ขออาลาธนาประเจกปุถธะธยุทิศใดสถานใดใดในโลกขอให้มาโปรดค่าพระเจ้าเอาอยู่ดังนั้นทุกภพชาติที่ยังได้มีประเจกเกิดในโลกแล้วได้ทำบุญอย่างนั้นตลอดมาพบพระพุทธเจ้าก็ทาบุญกับพระหาพระพุทธเจ้าอันนี้พระ อ, อ น, นุน ผู้หลาบเกิดมาที่สุดทางเครื่องใช้สอยปานนงหมนี่เรียกว่าทานุปรามีสัมนโนูอีวิโสปะขาวานี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกในการบุคคลที่เกิดมาในโลกบุคคลไม่ได้เกี่ยวข้องใครไม่ต้องการกับใครไม่สนใจกับใครไม่ยินดีกินเล่ยกับใคร ขอให้ข้าได้กินแล้วกันแล้วกันไปเรื่องแบ่งปันคนใครๆข้าไม่เกี่ยวข้องทางนั่นประการใดๆอันนี้เพิ่นเรียกว่าในการเกิดมาพิกขุมันต้องหิวเพราะลาบไม่เกิดบุคคลที่เกิดมาขอบครองคารวสหาอยู่กินผูดเคิงไม่เจริญในการหากินประการใดๆ อันนี้พลังว่าการให้ทานของตนขาดตกบกพร่องการให้ทานของตนไม่สนใจตลอดถึงรูปผิวพันวันณนะประการใดนๆในของตนนั่นเองไม่สมบูรณ์ไม่สวยงามเพราะตนของตนอันสมทานนั่นเองร่างกายคลุกคละ อันนี้เพิ่นเรียกว่าการแบ่งปันหนึ่งสมบัติเกิดขึ้นในการอยู่กินประการใดสองรูปร่างผิวพรรณวันนะนิ่มโนนสวยงามสามตนของตนมีพักมีพวกมีเพื่อนมีผงผูกมิผูกสหาย ไม่มีการผูกสหายเป็นบาปหนึ่งการเลี้ยงเหล้าของมืนเมาสองที่เลี้ยงกามคุณหาเมกาลีมาให้อันนี้ไม่จะเรื่องให้โทษต่อชีวิตต่อไปวันหน้ามิจังเรื่องศัตรูกันทำร้ายเบีเยดเบียนซึ่งกันและกันอันนี้เป็นวิากการให้ทานที่ไม่ถูกต้อง นให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าตัวของเราทุกคนในการเกิดมาในโลกเป็นมนุษย์บนเดียวนี้ยังไม่เท่าไรว่าตายไปแล้วยัค่อยรูย้ได้ดีที่สุดว่าตนของตนนั่นเองการให้ทานไม่มีสวยของทุกของตนตลอดไปนี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าการเกิดในโลก บุคคลที่พวกเราเห็นกันมีอยู่ในโลกหนึ่งโขนิกโกรไม่จะเรื่องดั่งไม่จะเรื่องทุกแอฟริกาไม่จะเรื่องรายทุกอยู่ด้วยการหิวอยู่ด้วยการทุกอันนั้นเปนแนวว่าการเกิดมาของเขา ยังไม่เคยเรื่องการแบ่งปันยังไม่เคยการให้รักษาศีลยังไม่เคยเอารูปขอ ง, อของธรรมะของบัณฑิตเข้ามาสอนตัวเจ้าของพอแต่ได้เกิดเป็นมนุษย์ตายแล้วก็ต้องไปชูนรกทันทีนี่ ใ, นให้เราทุกคนจงคิดนึกมนุษย์ในประเทศไทยของพวกเราที่พวกเป็นกีถูดกูดทั้ง ขิกลนขีกลพวกเรล่านี้แปลว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำร้ายเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยตนของตนทำให้สัตว์ได้รับความทุกข์ลำบากประการ ใ, ใดๆนี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกเพราะาสีอริยะ เมื่อได้ตัดเป็นพุทธเจ้าแล้วเทศสงใหญ่ผู้คนมากแสนมากศพของพระมหากรสปะลอยมาต้องยองอยู่ในฝ่ามือของเจกของยื่นรับทันทีไฟลุกไม่ตัวของท่านกระเทศธรรมะไล่เรื่องกรรมการกระทำกันมาตลอดมาอดีตกาจนไฟไหมหมดแล้ว ลายมือไม่มีเลยเป็นแผลของไฟไหม้มดมือเบื้องขวาลายกงจักไม่มีลายดอกบัวไม่มีแปล ว, ว่าตนของตนได้ทำความชั่วไว้ต่างแต่มยุคสมัยพระมหากัศปะเป็นช้างตัวท่านเป็นความช้าง ว่าสร้างฟึกหัดดีแล้วมันวิ่งไปมาบอกไม่ฟังวันแล้วก็มาก็ต้องเผาท่อนเล็กให้มันกอดอุ้มเขาจนตายกับท่อนเล็กเลยบาปกรรมอันนั้นเองอันนี้ก็เรียกว่าบุพกรรมจนของตนที่ได้ทำไว้แล้วสิ่งที่ไม่ดีนี่ให้เราทุกคนจงคิดนึก ในการเกิดในโลกมันทุกข์เราอยู่บทเดียวนี้โดยเหตุประการใดบุพกรรมความชั่วที่จ้ของทำไว้แล้วมันบนดบบันดาลมาให้ทันทีความสุขเกิดขึ้นสิ่งที่ตนของตนได้ทำไว้แล้วแต่เบื้องหลัง บรร d o บรรดาลให้ตนของตอนได้รับผลแห่งความสุขกำความชั่วกับความดีของตอนเป็นสมบัติของใจเมื่อใจหนีออกจากหลางกายอันนี้เราสะสมอะไรไว้มากสะสมความชั่วไว้มากความชั่วกัตองบรรดาลทันที เป็นรูปเป็นล่างเกิดขึ้นเป็นเปรตเป็นผีทันทีต้องไปส่วิบาปกรรมทันทีบุคคลผู้สะสมสมบัติความดีไว้เมื่อใจอกจังล่างกายแล้วบุญกุศลบรรด o n บรรดาลให้เป็นรูปเทวบุตรเทวดาทันทีแปลว่าอุปติกะเกิดด้วยบุญบรรดาลอุปติกะเกิดด้วยบาปบรรดาลอุปติกะ เกิดได้องคชาญบันดาลได้แก่พบคมทั้งหลายในี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าในการที่ทานปรมีสัมปโนโอิติปิโสมนุษย์คนเราสัตว์ทั้งหลายต้องการที่โพขะสมบัติการอยู่ให้เป็นสุขสำลาญประการใดๆทั้งนั้นเกิดเป็นมนุษย์แล้วดิ่น หาอยู่ตลอดเป็นนิอันนี้แหละเพลียกว่าเราฝึกผนกันมาแต่อนเนกชาติไม่ได้คิดอ่านเรื่องการความดีความชั่วของตนแต่เบื้องหลังกันมาบุคคลผู้หาได้สมบูรณ์สบายดีบุคคลหาทุกหายากครุขะตลอดไปโดยเหตุประการใดก็คือโทษของเจ้าของทางนั่นคุณของเจ้าของทางนั้น นี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกพุทธเจ้าโคต่อมะของเราประเทศในทินสถานใดๆทุกแห่งหนได้กินจะเข้ากับน้ำผ้าหนุ่งห่มไม่มีเสียเลยตั้งแต่ตัดรูปเป็นพุทธะจนตลอดมาปรินิพานเขาเท่าายผ้าหายสามครั้งเท่านั้นเอง ข้างหนึ่งนางเทวดาเขาพ้นจะวิบบากกรรมที่เป็นเปรตเป็นผีในเกาะมหาสมุทรและเอาผ้าคู่หนึ่งรอยมาถาวายพระพุทธเจ้าที่สองนางมลิกาเมยาเียพญาปเสนทะเลวิวาทกับผัวผัวดาไล่นี้พุทธเจ้าไปชำระ มาให้พิพลาดกันมาให้พิธะเละวิวาดกันคู่บำเพ็ญบรารมีจะช่วยเหลือจนได้สาเร็จผลต่อไปวันหน้าไปทําอย่างนี้ไม่ถูกต้องเหมือนกับมือซ้ายกับมือขวาแขนซ้ายกับแขนขวาคู่โคเมผู้สร้างบำเพ็ญโพธยานพุทธเจ้าไล่เลียงทุกประการความสําเร็จมผลความเป็นผลเกิดขึ้นประการใด พ, พราพุเสียนจึงได้เกิดความรักนางมลิกานางมาลิกาดีอกติใจว่าเกิดความรักได้ไปซื้อผ้าแขนกาสีมาอีกคู่หนึ่งสี่เสนตำลึงผืนหนึ่งสองแสนตำลึงอันนี้เป็นรอบที่สองรอบที่สามเมื่อจะาปรินีพานอยู่ในเมืองกุชินาลายมีพารรมคนหนึ่ง เอาผ้าคู่หนึ่งสีดอกคำสีเศตจำลึงมาถวายพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เริ่มแบ่งให้พระนนทิพืนหนึ่งพุทธองค์ตุ้มหม่มห่มสีหายยาอ า, าพาธภาวนาของพุทธองค์ตลอดไปได้สามครัง้งเท่านั้นเองได้ให้ได้รับค้าจากผู้คน อันนี้แปลว่าตนของตนนั่นเองไม่ใช่เรื่องพุทธเจ้ามาแล้วก็ถวายทานอาหารกับไปบวชเท่านั้นเองไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรมู่เป็นเศรษฐีก็ห น, นีไปพระยิ่ยเอาก็สร้างพรยไม่เอาก็ตามข้าไปบวชเป็นฤาษีไปตามเรื่องอันนี้เพแปลว่าอันนี้สงที่ของตนแบ่งปันให้ทานไม่ถูกต้องไม่ถูกหรอก ล็อกไม่เจริญมิจะบำเพ็ญเจตนาต้องการอยากจะเป็นพุท ธ, ธะอย่างเดียวอันนี้สง์ที่ท่านให้ทานเมื่อขาเป็นในเวลาเมืองมิถีลาอายุเ0 0้อยปีข่าวนั้นได้ทำบุญกับพระเจ้พุท ธ, ธจึงได้เป็นโอทานปรมาภะปรา ม, รมีสัมปนโนยีปิโูปะาวาว แบ่งปันให้ทานปะเจกเกพุทธทั้งหลายโชนะในี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกในการเกิดมาในโลกให้สังเกต ด, ดูเถิดบคุคคลที่อยู่ในโลกวันเดีวนี้ผู้รวยทําไมจังรวยผู้ในผู้ทุกข์ทำไมยังทุกข์ผู้โง่ทําไมจังโง่ผู้ฉลาดทําไมยังฉลาดผู้สวยงามทำไมยังสวยงามผู้ขี้เลย์ไหนยังขี้เลย อยากจะสวยงามทุกคนอยากจะรวยอยู่ทุกคนอยากจะปัญญาดีทุกคนแต่ทำไมยังไม่ไปอย่างนั้นเา่าอันนี้ให้เราคิดนึกในการที่ปฏิปทาของตนที่เกิดมาในโลกบุคคลที่งโง่หากินแต่ของมึนเมาชีวิตใดๆพ้นจากวิบากกรรมมาเกิดเป็นมนุษย์กโง่ตลอดไปความโทษมึนเมา คนที่เล่ยก็โทษของตนไม่จะโทษส า, ายตลอดไปปี น, นี้ก็ก็ะโขดแก๊กกระโขธอะไรทุกอย่างไม่จะนาที่โขดตลอดปี น, นี้อันนี้เพูดเลย ว, ว่าโทษแห่งการโทสษส า, ายเกิดมาเป็นคนขีเลคนทุกข์ไม่คิดอ่านแบ่งปันใครๆทั้งนั้นไม่กูกินแล้วก็แล้วไปมึงจะกินกตามบยกกิน่างหัวมึง กูได้กินก็เป็นพอของกูไม่สนใจกับใครทั้งนั้นอันนี้พ้นแล้วว่าเกิดมาก็ทุกขเกิดมากับลาบากในการอยู่การกินประการใดเพราะฉะนั้นในการทานอุปปมีสัมป น, นูติปิโสปะขวาในการในทานอันอย่างต่ําทานอุปปัฏมีสัมป น, นูติปิโสปะขวา ทานปรมัตถะปรมีสัมพันโนติปิโสปะควาทานให้ทานอย่างเลิศอย่างสูงที่สุดตนของตนเป็นคนที่บริสุทธิ์ตนของตนได้ของมาทางที่บริสุทธิ์ตนของตนได้ถวายทานแก่ผู้ประเสรศิฐหนึ่งองค์พุทธเจ้าหรือปฏิกรพุทธะพระอรหันต์ทั้งหลายเคลุพทางกายคลุกทางวาจาคลุกทางใจ ให้ทานอย่างของที่ประเสริฐอาหารที่มีรสอันมากผ้านุ่งห่มอันที่ดีที่สุดอันนี้พ้นเรียกว่าทานปรมัตถะประมีสัมปนุวิกิปูปะกวาเพราะฉะนั้นในการให้ทานของบุคคลเราในโลกเส้นัจเจเ ก, กิพุฏธธิทั้งหลายมาเกิดในโลก พรเจ้าทั้งหลายไม่ได้สอนว่าโลกนี้โลกนาดีชั่วประการใดมิจะรับทานแล้วก็อวังหุนตุอวังหุนตุเท่านั้นก็ไปแต่ทำไมเขาจึงได้ทานแบ่งปันเขาฝึกฝนนิสัยในการแบ่งปันกันมาพอเห็นแล้วเกิดปีติเกิดความพอใจเกิดความดีอกดีใจทุกประการได้บูชาพระเจกบปุธะประการ ใ, ใด จึงได้ทำผลแห่งการให้ทานของบุคคลคนนั้นเขาฝึกฝนเป็นนิสัยเป็นปัจจัยกันมาอันนี้นะจึงได้ขึ้นเสี้ยว่าทานปัลมีสัมบัณโนยจีบิโสปะคะวะธานาอุปปัลมีสัมบัณโนยจีบิโสปะควะธานาปรมัทธาปัลมีสัมบัณโนยจีบิโสปะควะการให้ทานอย่างต่ำให้ทานอย่างกลางให้ทานอย่างสูง อันย่างสูงนะั่นแปลว่าบริสุทธิ์ทุกอย่างผู้รับบริสุทธิ์ผู้ทานบริสุทธิ์เครื่องของเสนาอทานประการใดๆแปลว่าของที่ประเสริฐที่สูงที่สุดจึงเรียกว่าทานะปรมัตถะปรมีสัมปโนกิปิโฌปโขวาในให้เราทุกคนจงคิดดึกตัวของเราที่เกิดมาในโลกไม่ได้ฝึกฝนมาตั้งแต่ก่อนเกา่า เมื่อเวลาลวยกับล่าเลืองเล่นสนุกสนานไม่สนใจเรื่องอะไรสักอย่างตายแล้วก็ไปตนกนรกพ้นนรกมาเกิดกับเป็นทุกข์บนญร่องให้โวยจะของหาสับสิงเข้าของการกินอยู่กล็ลลาบากอันนี้แลวให้เราทุกคนจงคิดเนอกว่าเราเกิดในโลกสะสมสิ่งของคือบุญกุศล สะสมสิ่งของคือบาปกรรมความชั่วจิตเป็นผู้ถือจิตเป็นเจ้าของจิตเป็นตัวของเราร่างกายนี้สําหรับให้จิตใช้ได้ทําความดีใช้ทําความชั่วตลอดไปความดีความชั่วเกิดให้ก่จิตทางนั้นเพราะฉะนั้นเราคิดนึกติดตัวของเรา มู่ผู้รู้อันนี้หนีแล้วเขาว่าคนตายเขาไม่ได้ว่าคนเป็นยังอยู่ถาดสองถาดดินกับถาดน้ำนั้นถาดล้มกับถาด